ปฏิบัติตามพุทธปฏิปทาฝ่ายคู่บารมีกับแม่ทัพใหญ่มักคือมักคับดีซึ่งได้าเหตุการณ์ทั้งปวงมาโดยลำดับ ได้กำหนดใจไว้แล้วว่าองค์พระบรมครูได้ทรงประสาทสั่งพระสาวกขึ้นในโลกพระองค์เองก็ได้เสด็จจาริกไปประกาศพระพุทธศาสนาในคามานิคมชนบทต่างๆโดยไม่หยุดหย่อนจึงได้เกิดมีพุทธจักรขึ้นในโลกดังที่จะพึงเห็นได้ในจิตตนครนี้เองการประกาศแสดงพระพุทธศาสนาเป็นกรณียะคือกิจที่ควรทำํำ เป็นพระพุทธประสงค์ให้กระทาแต่ก็จะต้องคำนึงปฏิบัติตามพระวินยัยคำสั่งและพระธรรมคำสอนขององค์พระบรมครูด้วยทรงสั่งไว้ว่าให้แสดงธรรมแก่ผู้ฟังที่ตั้งอยู่ในอาการที่มีความเคารพและได้ทรงสอนให้แสดงธรรมโดยลำดับไม่ตัดลัดให้ขาดความชี้แจงแสดงเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจตั้งจิต เมตตาปรารถนาประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่แสดงคำหนึ่งถึงสิ่งอื่นเช่นเพราะเห็นแก่ลาบไม่แสดงทำกระทบตนและผู้อื่นอันหนึ่งเมื่อคำหนึ่งถึงพระพุทธปฏิปทาทรงใช้ปฏิหารสาในการประกาศพระศาสนาคืออิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์เป็นอัศจรรย์อาเทศนาปาฏิหาร ดักใจเป็นอัศจรรย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์สั่งสอนเป็นอัศจรรย์อิทธิปฏิหารินั้นก็เพื่อจะทําลายมานะของผู้ฟังซิงก่อนและไม่ใช่หมายความแต่เพียงการแสดงอาการที่แผลงต่างๆซึ่งผิดจากสามัญชนปกติอย่างเดียวแต่หมายถึงการกระทําทุกวิธีที่เป็นไปเพื่อทําลายมารณดังกล่าวเหมือนอย่างวิธีแก้บ้าแก้เมาของคน ผู้ใหญ่เคยกล่าวว่าอย่าไปสอนคนบ้าอย่าไปว่าคนเมาเขาไม่อาจจะรู้เรื่องเหตุผลอะไรได้ต้องแก้ไขให้หายบ้าทำให้หายเมาเสก่อนนั่นแหละจึงจะพูดกันรู้เรื่องคนที่เต็มไปด้วยความมานะหรือที่เรียกว่ามีทิฐิมานะแรงกล้าก็ยากที่จะสั่งสอนได้ต้องทำให้คลายมานะหรือสิ้นทิฐิมานะสก่อนดังที่เรียกในภาษาศาสนาว่า ทำให้สิ้นความเสติดหรือให้หมดพยศองพระบรมครูทรงแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์คือทรงทราบวิธีและสามารถทำลายมานะของคนได้อย่างล้ำเลิศทรงดักใจเป็นอัศจรรย์คือทรงทราบจิตใจอัธยาศัยนิสยัยอาสวะประมีของบุคคลจึงทรงสั่งสอนได้เป็นอัศจรรย์คือทรงสั่งสอนได้เหมาะ เป็นเหตุให้ผู้ฟังได้รับผลตามควรแก่อุปนิสัยพระธรรมที่ศึกษาปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นเหตุให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติได้รับผลตามควรแก่การปฏิบัติและผลของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นสองคือไม่เป็นผลร้ายบ้างผลดีบ้างแต่เป็นหนึ่งเท่านั้น คือเป็นผลดีสถานเดียวดังนั้นการที่บรรดาผู้มาบริหารจิตตั้งใจมาศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการถูกต้องเป็นการทำกรรมดีที่จะให้ผลดีเป็นความสุขสงบยิ่งขึ้นโดยควรแก่การปฏิบัติกองทัพใหญ่มักเตรียมแสดงกำลังคู่บา ร, รมีกับมคปี ผู้เป็นแม่ทัพใหญ่มักเห็นว่าการแสดงกำลังของกองทัพใหญ่มักให้ปรากฏแก่ตาแก่ใจประชาชนชาวจิตนครหาใช่เป็นการแสดงความโอ้อวดไม่แต่จะต้องกำหนดสถานที่แสดงกำลังและประชาชนชาวจิตนครผู้ที่จะมาดูชมการแสดงกำลังก็จะต้องอยู่ในอิรยาบทและอาการที่มีความครบ จึงได้กำหนดสถานที่กลางใจเมืองซึ่งถนนสำคัญสี่สายมาบรรจบกันนั่นแหละเป็นสถานที่แสดงกำลังแต่ได้กำหนดสนามหลวงใหญ่กลางเมืองนั่นแห่งเดียวเป็นที่ชุมนุมกองทัพใหญ่มักและเป็นที่แสดงกำลังกำหนดที่ให้ประชาชนชาวจิตตนค์นครมาดูชมอยู่โดยรอบสนามให้ดูชมด้วยอาการที่เคารพจึงต่างจากการแสดงแสนยญญานุภาพ ของกองทัพใหญ่สังโยชดซึ่งเดินสูนสนามไปตามถนนใหญ่ประชาชนต่างดูชมด้วยอาการต่างๆโดยมากขาดความเคารพค ร, ครันได้จัดเตรียมการทั้งปวงเรียบร้อยแล้วก็ได้ประกาศวันเวลาและระเบียบการต่างๆให้ประชาชนชาวจิตนครได้ทราบทั่วกันเป็นอันว่าจะได้มีการสวนสนามแสดงกำลังของกองทัพใหญ่มาก หน้าสนามหลวงใหญ่กลางใจเมืองเฉพาะพักนครสามีเจ้าเมืองจิตนครเป็นที่ตื่นเต้นโสมนัสยินดีของประชาชนจิตนครทั้งสิน้นแต่เป็นที่หวัดระแวงท่านธุพึพ่งของสมุไทยกับขวัศวะและพักพวกมากที่สุดขวัศวะกับสมุไทยพากันคาดผิดว่า กนวิธีของพวกตนจะเป็นเหตุห้ามการแสดงกำลังของกองทัพใหญ่มักได้แต่คู่บัรมีกับมักคะบดีกลับถือว่าเป็นการประกาศแสดงพระธรรมขององค์พระบรมครูเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวจิตตนครทั้งสิน้นซึ่งองค์พระบรมครูทรงสั่ ง, งกาชับและส่งพระสาวกทั้งหลายให้แยกย้ายกันท่องเที่ยวไปประกาศแสดงตั้งแต่เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ และเริ่มมีพระสาวกขึ้นใหม่พระองค์เองก็ได้เสด็จจาริกท่องเที่ยวไปประกาศแสดงพระธรรมไม่หยุดย่อนตราบกระทั่งเสด็จสู่ประรนิพพานคู่บา ร, รมีกับมคบดีจึงถือเป็นกิจเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องประกาศแสดงกำลังให้เป็นที่ปรากฏประจัก์ตาในจิตนครทั้งได้จัดสถานที่สำหรับการเดินสวนสนามแสดงกาลังกับวิธีต่าง อย่างมีระเบียบผู้ที่ได้ดูชมจะต้องอยู่ในอิริยาบถอาการที่มีความเคารพแต่เมื่อเหตุการณ์ได้กลับตลปัดหรือกลับหน้ามือเป็นหลังมือไปเช่นนี้คู่อสวะกับสมุทไทยก็ไม่อาจจะห้ามต่อไปได้ที่จะให้กองทัพใหญ่มกักงดการเดินสวนสนามแต่ก็ได้หาวิธีที่จะทําลายล้างหรือแทรกซึมบนทาลายต่อไป ขึ้นชื่อว่ากิเลสย่อมมีฤทธิ์มากมีเล่ห์เหลี่ยมมากแม้ไม่อบรมปัญญาให้เพียงพอก็จะไม่สามารถเอาชนะกิเลสได้ดังนั้นการอบรมปัญญาในทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งจําเป็นซึ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับบรรดาผู้มาบริหารจิตที่ปรารถนาจะเป็นผู้ชนะกิเลสเพื่อจิตใจจะได้มีความสงบสุขมากน้อยตามแต่กําลังปัญญา ที่จะสามารถเอาชนะกิเลสทาให้กิเลสลดน้อยลงเริ่มการแสดงกำลังด้วยอิทธิแห่งท่าสีได้กล่าวแล้วว่าคู่บา ร, รมีและมรคบดีกำลังเตรียมการประกาศแสดงพระธรรมขององค์พระบรมครูเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวจิตตนครทั้งสิน้นซึ่งฝ่ายขั้วอสวะกับสมุทัยหมดหนทางจะห้ามได้ แต่ก็ได้คิดหาวิธีที่จะทําลายล้างหรือแทรกซึมบ่อนทําลายต่อไปฝ่ายคู่บา ร, รมีและมัคคับดีแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพใหญ่มักก็ไม่ได้ประมาทโดยคิดเตรียมป้องกันกา ร, ก, ารก่อกวนแทรกซึมบ่อนทําลายของพวกสมุทรไทยไว้พร้อมสับเมื่อถึงวันแสดงกําลังของกองทัพใหญ่มักประชาชนชาวจิตนครได้พากันมาคอยดูอยู่รอบสนามหลวงใหญ่ กลางใจเมืองแน่นขนะดสมุทยได้ส่งพักพวกมาแทรกซึมอยู่ในหมู่ประชาชนทั่วไปและได้นัดหมายการที่จะปฏิบัติไว้ด้วยเสร็จกรนนครสามีออกปรางกฎสถิตยอยู่นักกลางใจเมืองซึ่งถนนสำคัญสี่สายของเมืองมาบรรจบกันกองทัพใหญ่มกักซึ่งได้เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ได้เริ่มการแสดงกาลังทันทีพิธี ได้เริ่มขึ้นด้วยอิทธิปาฏิหาริย์คือแสดงธาตุทั้ง4อันเป็นส่วนประกอบสําคัญของถนนสาคัญ4สายคือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมให้ปรากฏในอากาศแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของธาตุทั้ง4ที่ละอย่างคือธาตุดินมีลักษณะเขี้ยนแข็งธาตุน้ํามีลักษณะเหลวเอิบอาบธาตุไฟมีลักษณะ อบอุ่นร้อนธาตุลมมีลักษณะพัดไหวเมื่อธาตุดินมาอากาศจะเข่นแข็งเป็นอย่างดินหรือภูเขาเหมือนอย่างจะถล่มทับชาวจิตตนครทั้งสิน้นเมื่อธาตุน้ำมาอากาศจะกลายเป็นมหาสมุทรคล้ายกับจะตกลงมาท่วมจิตตนครทั้งสิน้นเมื่อธาตุไฟมาอากาศจะดูลุกเป็นไฟกองมหือมา เหมือนอย่างจำเผาไหม้จิตนารให้เป็นจุนไปทันทีเมื่อธาตุลมมาอากาศจะปั่นป่วนเป็นพายุร้ายคล้ายจะพัดผันจิตนครให้ย่อยยับไปทันทีเป็นที่ตกใจกลัวของประชาชนชาวจิตนครทั้งสิน้นแม้พักพวกสมุทรไทยเองก็เกิดความตกใจหลบถอยไปอย่างวุ่นวายลืมคำสั่งให้มาปฏิบัติก่อกวนทั้งหมดฝ่ายมรคบริษ ได้ประกาศแก่าชาวจิตนครมิให้ตกใจกลัวให้ทุกคนตั้งใจนมัส ก, การองค์พระบรมครูโดยพร้อมกันเปล่งว่านโมตัสสะพรกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะสามจบแล้วตั้งใจถึงองค์พระพุทโธธัมโมสังโฆเป็นสระนะคือที่พึ่งพุทธังสรนังคัชามิ ทำ ม, มังสรรนังคาชามิสร้างคังสารนังคาชามิสามครั้งครั้นชาวจิตนารเปล่งวาจานรมรสการองค์พระบรมครูและถึงพระไตราสรารณคมดังนี้แล้วอาการที่ปรากฏของท่าสี่อย่างน่าสะพรึงกลัวนั้นก็หายไปทันทีขณะนั้นจิตใจของประชาชนที่แตกแยกเป็นหลายอย่างบางคนอ่อนบางคนกระด้าง บางคนเคารพ บ, บางคนไม่เคารพเป็นต้นก็รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือพากันมีจิตใจสงบจากความแข็งกระด้างด้วยอำนาจความกลัวภัยจากท่าทั้งสี่และเห็นพระจักอนุภาพของพระไตราสารนคมพระรัตนไตรเป็นที่พึ่งได้จริงกำจัดความกลัวได้จริงกำจัดภัยได้จริงการมาบริหารจิตเป็นการอบรมให้สามารถถึง พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงจึงเป็นการทำให้จิตพ้นจากอำนาจของความกลัวภัยทั้งหลายได้มีความเข้มแข็งเป็นสุขสงบยิ่งขึ้นทุกทีตามควรแก่การปฏิบัติดักใจในปัญหาตัวเราโดยแสดงภาพอบายภูมิกำลังและอำนาจของธาตุสี่ที่ได้ประจักษ์แล้ว พร้อมกับกําลังอํานาจแห่งพระไตราสรารนคมมีมากนักสแสดงเป็นตัวอย่างแต่เพียงอย่างเดียวมัคคบดีได้ประกาศต่อจากนั้นมัคคบดีได้สแสดงอาเทสนาปาติหารคือดักใจเป็นอัศจรรย์โดยทราบใจของชาวจีตนครทั้งที่เป็นส่วนลึกทั้งที่เป็นส่วนผิวเผินใจที่เป็นส่วนลึกนั้น คือเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะอนุสัยหรือบารมีหรือที่เป็นส่วนนิสัยสันดานดังที่บางทีเรียกในจิตวิทยาปัจจุบันว่าจิตใต้สํานึกใจส่วนตื้นผิวเผินนั้นคือเป็นที่ตั้งแห่งนิวรณ์หรือกิเลสที่เป็นอกุศลลมูลดังที่บางทีเรียกในจิตวิทยาปัจจุบันว่าจิตในสํานึก เมื่อได้ทราบใจดังนี้ก็เรียกว่าดักใจถูกใครจะมีพื้นเพ ข, ของจิตใจอย่างไรก็รู้จะมีความคิดเห็นปรารถนาต้องการอะไรอย่างไรก็รู้แต่มากคนก็มากใจดังที่เรียกว่าหน้าหน้าจิตตังจึงไม่อาจตอบปัญหาใจที่ต่างๆกันของทุกคนให้ครบถ้วนได้ในคราวเดียวจำต้องสรุปตอบในประเด็นที่คนส่วนมากมีใจพ้อง ตรงกันพอเป็นตัวอย่างดังเช่นปัญหาว่าตายเกิดหรือตายสูญตายแล้วไปไหนนรกสวรรค์มีไหมเรื่องเล่านี้เป็นความอยากรู้ที่ตรงกันของทุกคนดังนั้นจึงปรากฏภาวะอย่างหนึ่งที่ชาวจิตตะนกรทั้งปวงมองเห็นและเข้าใจว่าตัวเราลอยอยู่ในอากาศมากมาย มีจำนวนเท่าชาวจิตนครที่มาประชุมดูอยู่นั้นและชาวจิตนครแต่ละคนก็รู้สึกเป็นตัวเราในแต่ละตัวที่ลอยอยู่นั้นคือรู้สึกเหมือนไปลอยอยู่เองอยู่กับตัวเราของตนของตนแต่ละคนหรือตัวเราของแต่ละคนนั้นมีสายใยมากเกี่ยวอยู่ที่กายของแต่ละคนคล้ายกับว่าที่ลอยอยู่ในอากาศ มีสายโยงมาถึงคนชักว่าที่พื้นดินตัวเรามาจากชาติอดีตนับไม่ถ้วนเหมือนอย่างวันนี้มาจากวันอดีตนับไม่ถ้วนและจากไปสู่ชาติอนาคตอีกไม่รู้ว่าอีกเท่าไหร่เหมือนอย่างวันพรุ่งนี้และวันต่อไปก็จะมีสืบต่อกันไปอีกในชาติอดีตเหล่านั้นบางชาติตัวเรามีรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวถูกเผาอยู่ในไฟ บางชาติตัวเรามีรูปร่างเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดหนึ่งบางชาติตัวเรามีรูปร่างผอมโซสูงชลูดน่าเกลียดหิวหยเหลือเกินบางชาติตัวเรามีรูปร่างพิกลเป็นจำพวกผีชนิดต่างๆชาวจิตนารได้มองเห็นภาพตัวเราในอดีตชาติมีรูปร่างต่างๆในแต่ละชาติดังนั้นก็รู้สึกขึ้นว่านี้เองคือนิระยะ หรือนรกนี้เองสัตว์ทีจฉานนี้เองถิ่นอสุรกายคือผีต่างๆเหล่านี้คือทุกขติที่ชั่วเต็มไปด้วยทุกครั้นแล้วก็เห็นได้ว่าตัวเราก่อนที่จะเกิดในทุกขติเหล่านั้นก็ได้มีจิตใจเต็มไปด้วยโลภโกรธหลงจึงฆ่าเขาบ้างลักของเขาบ้างเป็นชู้กับของเขาบ้าง พูดเท็จทำลายเขาบ้างดื่มน้ำเมาประมาทไปบ้างก็รู้สึกขึ้นเองว่านี้คือบาปอากุศลกรรมที่ตัวเราได้ทำแล้วก็เป็นเหตุนำไปสู่ทุกติจริงไม่ต้องสงสัยความรู้สึกของชาวจิตตนครเมื่อมองเห็นภาพตนเองหน้าเกลียดหน้ากลัวต่างๆนั้นอาจกล่าวอีกอย่างได้ว่ากรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วผู้ใดทำกรรมชั่วไว จากได้รับทุกข์ไม่ต้องสงสัยแม้ไม่ปรารถนาทุกข์ก็ต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะทํากรรมใดอย่าให้เป็นการทํากรรมชั่วจึงจะไม่ได้รับผลเป็นความทุกข์ดักใจในปัญหาตัวเราโดยแสดงภาพสวรรค์ครั้นมาคบดีได้แสดงตัวเราผู้ประกอบอกุศลกรรมบวต่างๆแล้วต้องไปเกิดมีรูปร่างวิปริต ต้องทนทุกทรมาในชาติต่างๆแล้วก็แสดงตัวเราอีกฉากหนึ่งเจาจิตตนครทั้งปวงได้มองเห็นตัวเราที่ลออยู่ในอากาศนั้นกลับมีรูปร่างงดงามทั้งหญิงชายมีที่อยู่ที่สวยงามเป็นสุขสบายมีสวนที่เรื่องรมสวยงามมีเครื่องแวดล้อมและทุกๆอย่างที่ล้วนสวยงามน่ารักน่าชมล้วนให้เกิดความสุข สิ่งต่างๆที่ได้เห็นนั้นมีมากมายเหลือที่จะกล่าวจะบอกให้สิ้นเชิงแต่ก็รวมลงว่ารูปทั้งปวงที่ตามองเห็นเสียงต่างๆที่หูได้ยินกลิ่นต่างๆที่จมูกได้ดมและรสต่างๆที่ลิ้นได้ลิ้มสิ่งสัมผัสถูกต้องต่างๆที่กายได้ถูกต้องล้วนแต่น่ารักน่าชมน่าอภิรมยินดีนำให้เกิดความสุขทั้งนั้น ตรงกันข้ามกับนรกชาวจิตตนครบางคนยังได้มองเห็นตัวเราของตนในอดีตชาติมีรูปร่างที่งามละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นไม่ต้องการอภิรมในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งถูกต้องที่น่ารักน่าอภิรมทั้งปวงแต่สงบอยู่ในอุเบกขาญาณตลอดเวลาและชาวจิตตนครบางคนยังได้มองเห็นตัวเรา ของตอนเองในอดิตชาติเป็นตัวเราที่ไม่ปรางกฏรูปร่างอยู่ในภาวะตัวเราที่ละเอียดพระนิยยิ่งนักสงบอยู่ด้วยอุเบกหายานที่ละเอียดพระนีตครั้นชาวจิตนครได้เห็นดังนั้นก็รู้สึกขึ้นว่านี้คือสวรรค์ชันกามาพจรนี้คือสวรรค์ชันรูปภรพมนี้คือสวรรค์ฉันอรูปภพมเหล่านี้คือสุคติ คติที่ดีมีสุขครั้นแล้วก็มองเห็นว่าตัวเราก่อนที่จะไปเกิดในสุคติภพเหล่านั้นได้มีจิตใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงประกอบด้วยเมตตากรุณาไม่ริษยาอาธรรมไม่ทำร้ายชีวิตร่างกายใครไม่ลักของใครประกอบสัมมาอาชีวะไม่เป็นชู้กับของใคร ยินดีอยู่แต่ในคู่ครองของตนไม่พูดเท็จหลอกลวงใครพูดสัจจริงที่เป็นประโยชน์ไม่พูดสอดเสียดยุยงใครพูดประสานส ม, มคัคคีไม่พูดคำหยาบพูดแต่คำสุภาพไม่พูดเหลวไหลไร้สาระพูดแต่สิ่งที่มีหลักฐานเป็นประโยชน์เว้นสิ่งที่ทำให้เกิดความเมากายเมาใจปลูกสติให้รอบคอบ รู้ผิดชอบชั่วดีประพฤตินตนอยู่ในทางทานและศีลบางคนก็ประพฤตินตนอยู่ในทางภาวนาได้สมาธิอย่างสูงถึงรูปประชานสมาบัติอรูปปัจจันสมาบัติจึงไปเกิดเป็นรูปปภมูมอรูปปภมูมรู้สึกขึ้นเองว่านี้คือบุญกุศลกรรมที่ตัวเราได้ทำแล้วเป็นเหตุให้ไปสู่จุติโลกสวรรค์จริงไม่ต้องสงสยัย เมื่อชาวจิตตนาครได้เห็นกรรมและผลของกรรมได้เห็นชาตินี้และอดีตชาตินี้และอดีตชาติถอยหลังไปแล้วก็คิดว่าจะหยุดเกิดเพียงเท่านี้หรือจะมีชาติต่อไปอีกหยุดเสียทีก็ดีเพราะกลัวทุกติเต็มทีแล้วคราวอยู่ในนรกรู้สึกว่า น, นานแสนนานแต่คราวอยู่ในสวรรค์รู้สึกว่าประเดียวเดียวเท่านั้นทุกติ หรือสภาพที่เป็นทุกข์นั้นทุกคนกลัวไม่อยากได้รับแต่จะสามารถหนีสภาพนั้นให้พ้นได้มีใช่อยู่ที่ความกลัวหรือความตั้งปรารถนาต้องการแต่อยู่ที่ต้องศึกษาธรรมและปฏิบัติดำเนินไปจนถึงจุดที่จะพ้นจากสภาพที่เป็นทุกข์ได้เท่านั้นบรรดาผู้มาบริหารจิตคือผู้ที่กำลังหนีทุกขติซึ่งแม้บริหารจิตจริง ก็จะสามารถหนีสภาพที่เป็นทุกข์ได้ในวันหนึ่งอย่างแน่นอนมากน้อยตามควรแก่การปฏิบัติตัวเราบ่ายหน้าสู่คติที่จะไปเกิดได้นำเรื่องราวของนครสสำคัญที่สุดมาแสดงคือเรื่องราวของจิตนครได้แสดงมาแต่ต้นโดยลำดับจนถึงเมื่อชาวจิตนครได้ชมการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยตจบลง มัคคบดีก็แสดงกำลังทำให้เข้าใจบ้างจนถึงแสดงให้ชาวจิตตนครได้เห็นกรรมและผลของกรรมได้เห็นชาตินี้และอดีตชาติถอยหลังไปจึงเกิดความคิดว่าจะหยุดเกิดเพียงเท่านี้หรือจะมีชาติต่อไปทันใดที่ชาวจิตตนครคิดสงสัยถึงชาติหน้าว่าจะมีหรือไม่ก็ปรากฏคติที่ไปข้างหน้าที่ชาวจิตตนครรู้สึกว่าตัวเราที่ลอยอยู่ในอากาศจะต้องไป เหมือนอย่างจะต้องถึงวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนและคติข้างหน้าที่ปรากฏนั้นก็ปรากฏมนุษยภูมิอยู่ตรงกลางตามลงไปเป็นอบายภูมิสูงขึ้นเป็นสุขติภูมิแห่งเทพต่างชั้นและพรหมต่างชั้นตามลำดับตัวเราของใครจะไปภูมิไหนก็ปรากฏว่าตัวเราของแต่ละคนต่างบาบหน้าไปสู่ภูมนนินั้นแล้วตัวเราของคนบางคน บ่ายหน้าไปสู่บบยภูมิคือสุนรกที่เต็มไปด้วยทุกทรมานตัวเราของบางคนบ่ายหน้าไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานและบ้างบ่ายหน้าสู่แดนเปรตบ้างสู่ถิ่นอสูรกายส่วนตัวเราของคนบางคนบ่ายหน้าไปสู่ภูมนุษย์บ้างสู่สุขติภูมิของเทพของพรหมเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกที่สุด เพราะตัวเราจะต้องบ่ายหน้าไปสู่ภูมิใดภูมิหนึ่งทั้งที่บางภูมิเป็นที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่อยากจะดูจะพบเห็นแต่ก็ต้องบ่ายหน้าไปเหมือนอย่างถูกบังคับให้หันหน้าไปทางนั้นไม่อาจจะเบนหน้าไปทางอื่นได้ต้องหันหน้าไปทางนั้นเท่านั้นเป็นเหตุให้เกิดความอลลามานด้วยอาการต่างๆขึ้นในหมู่ชาวจิตตนครทั้งหมด บรรดาผู้ที่มีตัวเราต้องบ่ายหน้าไปสู่อบายภูมิก็ต้องสะดุ้งตกใจร้องกรีดราดด้วยความกลัวความพรั่นพรึงถึงตัวสั่นงินงกก็มีคล้ายกับนักโทษที่ถูกนําตัวไปสู่ที่ประหารหรือที่ทรมานส่วนบรรดาผู้ที่มีตัวเราบ่ายหน้าไปสู่ภูมนุษย์ก็รู้สึกเป็นปกติหรือดีใจไปสู่ภูมิของเทพของพรหมในสวรรค์ ก็ปลื้มใจยินดีถึงกับกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจก็มีอันที่จริงมิใช่เป็นสิ่งแปลกประหลาดแต่เป็นกรรมนิยมหรือกรรมนิยามคือความกำหนดแน่แห่งกรรมของทุกๆคนที่ทาไว้แล้วจึงเป็นธรรมดาของกรรมมิใช่เป็นของผิดธรรมดาแต่อย่างไรเหมือนอย่างความแก่ความเจ็บความตายเป็นของธรรมดาของชีวิต ถ้าใครเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นแหละจึงจะผิดธรรมดาเมื่อปรากฏอาการตกใจหรือตื่นเต้นขึ้นในหมู่ชาวจิตนครดังนั้นครู่หนึ่งแล้วคติข้างหน้าเหล่านั้นก็หายไปปรากฏเป็นภาพแห่งการกระทาต่างๆของตัวเราแต่ละคนปรากฏขึ้นอย่างจะแจ้งว่าตัวเราได้ทำกรรมอะไรไว้แล้วบ้างได้ทอาอกุศลกรรมไว้อย่างนี้อย่างนี้ ได้ทำกุศลกรรมไว้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นเมื่อนั้นเมื่อทำอกุศลกรรมไว้จิตก็เศร้าหมองหน้าของตัวเราก็บ่ายไปสู่ทุคติแต่เมื่อทำกรรมดีไว้จิตก็ผ่องใสหน้าก็บ่ายไปสู่สุขติชาติจิตตนครจึงเกิดความรู้รับรองขึ้นว่าชาติหน้ามีและทุกคนจะต้องไปเกิดตามกรรม กุศลกรรมที่ทําให้จิตใกล้าตายเศร้าหมองนําไปสู่ทุกติส่วนกุศลกรรมที่ทําให้จิตใกล้าตายผ่องใสก็นําไปสู่สุขติโดยแท้กรรมจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งทุกคนควรจะได้พิจารณาอย่างดีก่อนที่จะทํากรรมทั้งปวงเพื่อให้สามารถทําแต่กรรมดีเป็นกุศลกรรมที่จะนําไปสู่สุขติพ้นจากทุกติอันเป็นแดนแห่งความทุกข์น้อยใหญ่ ทุกคนสร้างหรือเปลี่ยนคติภายหนของตนได้ครั้นชาวจิตตนครเกิดความรู้รับรองในชาติหน้าและในกรรมกับผลกรรมดังนั้นแล้วภาพกติข้างหน้าที่ปรากฏให้เห็นก็ยังหลอนใจให้กลัวว่าจะต้องไปแน่หรื อ, อยังประทับใจยินดีปรีดาว่าจะได้ไปแน่แต่ในทันใดนั้นคติข้างหน้าทั้งปวงนั้น ได้มาปรากฏขึ <ful> ้นอีกครั้งหนึ่งและบรรดาตัวเราที่ลอยอยู่มากมายนั้นมิได้หันหน้าไปสู่ภูมิที่ดีหรือชั่วเหมือนอย่างครั้งก่อนเสียแล้วบางตัวเราที่เคยหันหน้าไปสู่ภูมิดีในครั้งก่อนกลับหันไปสู่ภูมิชั่วแต่บางตัวเราเคยหันหน้าไปสู่ภูมิชั่วในครั้งก่อนกลับหันไปสู่ภูมิดีบางตัวเราก็หันหน้าไปเหมือนอย่างครั้งก่อนนั่นแหละ จึงเกิดอาการโอลมานตรงกันข้ามขึ้นในหมู่ชาวจิทนครคนที่เคยเสียใจในครั้งก่อนกลับดีใจคนที่เคยดีใจในครั้งก่อนกลับเสียใจแต่บางคนก็เป็นเหมือนอย่างครั้งก่อนทำไมจึงเป็นเช่นนี้ก็เปิดปรากฏขึ้นอีกเป็นภาพแห่งการกระทำกรรมขึ้นใหม่เพราะยังมีชีวิตอยู่ในโลกยังไม่ตายจึงยังต้องทากรรมต่างๆอยู่ บางคนทำกรรมชั่วไว้ในครั้งก่อนๆแต่ต่อมาทำกรรมดีที่ตรงกันข้ามบางคนทำกรรมดีไว้ในครั้งก่อนแต่ต่อมาทำกรรมชั่วที่ตรงกันข้ามบางคนก็ทำกรรมดีหรือชั่วสม่าเสมอไปปรากฏการครั้งหลังนี้ทำให้ชาวจีนตนครได้ความรู้สํานึกว่าคนที่เคยทำชั่วไว้ย่อมมีโอกาสกลับตัวได้ คือเมื่อมีความไม่ประมาทละความชั่วเสียทําความดีเมื่อใดก็กลับตัวเป็นคนดีเมื่อนั้นกลับตัวเป็นคนดีได้เมื่อใดก็หันหน้าไปสู่คติที่ดีเมื่อนั้นส่วนคนที่เคยทําดีไว้มามีความประมาทละความดีเสีย <S <s <ame> <S ไปทําชั่วก็ <S <s <ame> <S กลายเป็นคนชั่วและหันหน้าไปสู่คติที่ชั่วฉะนั้น เมื่อยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ทุกคนจึงอาจสร้างหรือเปลี่ยนคติภายหนของตนได้ถ้ามีความประมาทประพฤติพอกพูนความชั่วร้ายเสียหายมากขึ้นก็จะสร้างคติที่ชั่วภายหนขึ้นหรือเปลี่ยนคติที่ดีเป็นคติที่ชั่วแต่ถ้ามีความไม่ประมาทประพฤติพอกพูนคุณงามความดีต่างๆมากขึ้นก็จะสร้างคติที่ดีขึ้นภายหน หรือเปลี่ยนคติที่ชั่วให้เป็นคติที่ดีขณะนั้นได้ปรากฏเสียงกระแสพระบรมพุทโธวาดดังขึ้นว่าทุกคนทั้งหญิงชายกระหัตปรระชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราเป็นทายาตรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่อาศัยเราจักทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจากเป็นทายาตรับผลของกรรมนั้นกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประนีตต่างกันเรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรมเพราะบุคคลมีเจตนาแล้วจึงทำกรรมทางกายวาจา และใจกรรมชั่วที่บุคคลใดทำไว้แล้วย่อมละเสียได้ด้วยกุศลบุคคล น, นั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนอย่างดวงจันทร์ที่พ้นจากหมอกฉะนั้นทุกคนพึงละกรรมชั่วทำกรรมดีเถิด